พระธรรมเทศนาแผ่นที่85ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่7พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าอานิสงทานในอดีตชาติ เมื่อเช้าตีห้าฝนตกพล่ำพประมาณสี่ห้านาทีเป็นน้ำมนของพญาแถนโปรยโปรยให้ชุ่มเย็น ต, ตามว่จิงไม่น่าคาดคิดเลยฝนจะตกแต่รู้สึกว่ามืดคืเมพอสมควร วันนี้เป็นวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2558พระในวัดของเราในช่วงนี้พระมาช่วยงานมีทั้งหมด62รูปนะคณศจายญาติโยมพระ62องค์แล้วก็เย็นวันนี้ก็คงประมาณสักหนึ่งทุ่ม คงจะมีการารวมกันเรื่อว่าอาจจะมีการไหว้พระสมาทานศีลในคืนคืนนี้เพราะว่าวันพรุงนี้ตอนเช้ า, าพวกเราจะมีการตักบาตรรอบรอบศาลาหลังนี้แหละ เ, เมื่อตักบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วกัพวกเราก็คงจะไหว้พระสมาทานศีลเป็นพิธี จากนั้นก็พระสงฆ์ก็ฉันอาหารฉันอาหารเสร็จให้จินให้พรเสร็จฉันอาหารเสร็จเสร็จพวกเราก็รับทานอาหารตามมัธยายไส้จากนั้นพวกเราก็จะได้รวบรวมจตุปัจจัยที่มาใครจะมาร่วมกระถิน่นวันพรุงนี้เมื่อรวบรวมจตุปัจจัยเรียบร้อยแล้วก็คงจะเช็ดยอด แล้วก็พวกเราก็อยู่ตามอั ธ, อธยาศัยทั้ง ว, วันวันวันพรุ่งนี้นะเพราะนั้นเรื่องโรงทานก็ดีเรื่องน้ำก็ดีพี่น้องประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องในจุดนั้นก็ขอให้ช่วยๆกันดูด้วยเพราะว่าเวลา 16.00 น, นพระองค์เจ้า พ ร, วระวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระปอระราชาทินด harma าาที่ท่านจ ะ, ะเสด็จเป็นองค์ประธานพร้อมกับหม่อมหลวงชลาลีที่เป็นน้องสาวของพระองค์ท่านจะมาถึงที่วดดดัดมาถึงเสด็จมาถึงวัดของเราสิบหกศูนย์ศูนย์นอคือบ่ายสี่โมง เพราะนั้นในขณะแต่ตอนเช้าไปถึงบ่ายสี่โมงของพวกเราเนี่ยคงจะรอกันต้อนรับคงจะหิวอาหารเพราะนั้นให้พวกเราศรัทธาญาติโยมไปช่วยๆกันดูนะเรื่องอาหารวันที่แปดคงจะทั้งวันแต่ไม่ใช่อาหารเหมือนแต่ ก, ก่อนนะอาหารขราวเนี้ไม่ใช่อาหารแบบ ใส่ถุงใส่หอ่อไม่ใช่เลี้ยงเฉพาะกิน เ, เลี้ยงให้ทั่วถึงน้ํำก็เหมือนกันให้ช่วยกันดูไม่ใช่ต่างคนต่างขนไม่ใช่นะว่นน้ํำของเราเนี่ยมันจะต้องได้กินทั้งวันแต่จะยังไงก็ถ้าไม่มีกินจริงจริน้ําฝนของเราถังมักใหญ่ทางขวามือหลวงพ่อเนี่ยสองถังหลวงพ่อเตรียมไว้เตรียมรับคนเปิดก๊ก ดื่มเลยน้ำฝนสะอาดล้างคาล้างสะอาดแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าไปแล้วก็ปิดเต็มแล้วก็ปิดเอาไว้ <p> เพราะนั้นเรื่องน้ำถ้าไม่มีจริงกันเนี่ยน้ำฝนของเราเนะี่ยแหละแต่ว่าเรื่องอาหารช่วยกันดูพวกงานนี่เป็นงานที่อย่างพวกเราไปเคย ทำมาก่อนเมื่อเคยต้อนรับขับสู้มาก่อนเป็นงานครั้งนี้เป็นที่ตั้งแต่สร้างวัดของเรามาก็าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะพระพองค์ท่านสเสด็จเป็นองค์ประธานแต่ดูแล้วก็โอ้เป็นสิริเป็นมงคลต่อคนในท้องถิ่นของเราในความรู้สึกของหลวงพ่อนะเห็นไม่ถนนหนทางตั้งแต่จากเมืองอุดรมามาถึง อำเภอนายูงของเราตะกอน ก, ก็ขาดการเหลียยแยแต่บัดนี้อะไรๆก็สว่างสวัยไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าฟ้าเสด็จอันนี้เป็นบุญเป็นคุณของอพี่น้องในกลุ่มของเราสะดวกสบายขึ้นมาเนี่แหละบุญบารมีบุญบา ร, ร ม, รรมีควรจะสั่งสม ไว้ให้มากนั้นลูกหลานพระองค์ท่านมีบุญไปสถานไปสถานที่ใดก็มีผู้ดูแลต้อนรับขับสู้เพราะเหตุไรเพราะบุญพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านตรัสว่าพระสงฆ์ทั้งหลายคนทั้งหลายในยุคสมัยนั้นเ็าว่าพระพุทธเจ้าที่ไปที่ไหนคนต้อนรับขับสู้ให้ความเคารพ กับพระพุทธเจ้าให้ทานถวายทานถวายความเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นปมหากษศัตริ์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็เนี่ยรู้จักคู่คนเพราะนั้นคนทั้งหลายจะให้ความเคารพแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นอเนกสงฆ์ฐานของเราในอดีตชาติ เราได้ทําบุญทำทานไว้ในอดีตชาติแต่ชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราอเนกสงทานของเราในอดีตชาติมาเกื้อ ก, กูลหนุนมาส่งผลให้เราได้รับอย่างเต็มที่อย่างเมื่อสมัยพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงกราาุงรัตจักร์ไปเสด็จไปที่เมืองเวสาลี วัยเสนรไพศาลีเนี่ยที่ว่าคนตายหาตายหงในเมืองนั้นอะ่ะคนตายไม่มีสาเหตุเขาก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จจากกรุงราชสักไปถูข้ามแม่น้ำแล้วก็ข้ามไปอีกพี่น้องประชาชนเขาให้เคารการต้อนรับล่อยดอกไม้เกียรซทรายและโปอยดอกไม้อีกระยะทางยาวไกล แล้วก็พี่น้องประชาชนปักธงทุกทิวดูแล้วเหมือนกับสวงสวรรคร์ใครๆเห็นพระสงฆ์ที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตั้งห้าร้อยก็ถึงเลิ่มใจทว่าถึงโอ้โหทำไมพี่น้องประชาชนเขาจึงให้ความใส่ใจสนใจกับพระพุทธเจ้าถึงขนาดนี้ทั้งฝ่ายพระเจ้าพิพิษานเะนี่ก็ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จขึ้นเรือเสร็จแล้วเดินส่งในมุดลงไปในน้ําเดินสรงพระพุทธเจ้าจนน้ําเพียงคอเลย้อค่อยกลับขึ้นมาแต่ทางโน้นอีกเหมือนกันพระเจ้าเลสวีมาคอยต้อนรับพระพุทธเจ้าเดินลงมาในน้ําอีกน้ําเพียงคอมาคอยรับเรือพระพุทธเจ้าอแล้วก็เอาขึ้นไปบนฝั่งเอ พระองค์เสด็จไปขึ้นไปบนฝั่งเกยฝั่งนักเกิดเสด็จลงจากเรือแล้วก็โปรยด้วยสายแล้วก็ดอกไม้ช่วยงางเป็นการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ในเมื่อพระองค์ไปสเสด็จไปถึงเมืองพระองค์ก็ให้พระอานนท์พระองค์ก็สเสด็จเสด็จสวดพระปริตะมงคลพระปริตะจากนั้นก็ให้พระอานนท์ ประพรมน้ําประพุทธมนต์จากบาทพระพุทธเจ้าไปให้ทั่วทุกแห่งของเมืองผลในสุดความหายนะความตายของพี่น้องประชาชนก็หายไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระองค์จะเด็ดกลับมาอีกเก็บมาอีกก็ทำอีกอย่างเก่าและติถวีน้ำนาส่งทางกรุงราชจะขึ้นก็นรับอีก ประการที่ยิ่งใหญ่ในการเสด็จพระสงฆ์ทั้งหลายที่ตามเสด็จดั้งการคราวนั้นทั้งห้าร้อยก็แปลกใจโว่โอเ้เพราะพระพุทธเจ้าของเราี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินผี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให้ความเคารพเพราะท่านเป็นเจ้าแต่พระธองค์บอกว่าเราอันในสงฆ์ทานของเราในอดีตชาติอันในสงฆ์ทานนันให้ผล พระสงฆ์ก็ได้ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงจึงในชาติไหนหนอพระพุทธเจ้าค่า น, นนี่ยจีบอเนสโสงทานอันนี้จึงให้ผลยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้พราะองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราเกิดที่กรุงอยู่ที่เมืองอนี่แหละเมืองทะลบันนะ่ะทุกวันนี้แหละในที่ประเทศอินเดีย พอนั้นพอเราเกิดขึ้นมาแล้วก็เราก็ได้เรียนหนังสือแล้วก็ ม, หมีหมู่เพื่อนกรุงกรุงพาราณสีเป็นพราหมณ์ด้วยกันมาเรียนหนังสือด้วยกันรุ่นเดียวกันแต่เพื่อนที่กรุงพาราณสีเนี่ยเขาเรียนเก่งกว่าในวิชาความรู้มากกว่าแต่เรียนอยู่ที่อยู่กับอาจารย์เมืองตากสิลานะเมืองตากสิลานะเป็นเมืองวิชาฮนะเพราะนั้ก็ พอเรียนจบแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันแล้วก็แต่งงานกันะมีลูกแต่พราหมณ์อยู่ที่กรุงเมืองตะกา ศ, ศีลาเนี่ยเป็นเพื่อนกั น, นก็ได้ลูกชายคนหนึ่งพอลูกชายเป็นหนุ่มขึ้นมาก็เอ๊ะพ่อผมอยากจะเรียนวิชาเนี่ยอย่างที่าไหอย่างพ่อเรียนเนี่ยพ่อบอกเออวิชานเนี่นยพ่อเห็นแต่เนี่ยเห็นแต่เพื่อนของพ่อที่ที่เมือง กุมพารานาสนะีเนี่ยเขาเรียนเก่งมากนะเขาเข้าใจและฉลาดให้ลูกไปรเรียนกับเขาเถอนะเป็นอาจารย์ลูกชายผู้ชายหนุ่มนะก็ไปไปกันเนี่ยนะเขาไปก็เพื่อจะไป เ, เวลาไปไปถึงกุมพารานาสีถามเลยนะถามว่าชื่อพามว่าอย่างนี้อาจารย์อย่างนี้ เ, เขาจะรู้ทั้งหมดนั่นะเพราะเป็นเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนี้ พอลูกชายไปถึงกับประกาศขอถามคู่คนเขาแนะนำให้พ่อเขาไปไปหาไปหาอาจารย์ก็เป็นแนะนำว่าผมเนี่ยเป็นลูกของอชื่อพ่อแนะนำจกุกุลนี่ทังนั้นโอ้ใช่เป็นเพื่อนกันนะ เ, เธอมาอะไรแผมอยากจะมาเรียนวิชาจะกับคุณพ่อครับลุงพ่อผมแนะนำมาเธ อ, อเอาเรียนได้จากนั้นทั้งครเรียนอยู่ในบ้าน เรียนวิชาประสิทธิ์ภาษาไทยทุกอย่างเท่าที่อยากจะเรียนพอเขาเรียนเขาเสมัยนะั้เขาเรียนวิชาในอาจารย์คนเดียวรู้เกือบหมดหมดทุกวิชานะ <c oughs> เขาเก่งมากระดับทิสะปาโมกนะเลยเทนี้พอเรียนไปเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบที่สิ้นเทนี้ก็เลยไปถามอาจารย์ถามคุณพ่อบอกผมเรียนมานี่นเวลาตั้งหลายปีเลย วิชาของคุณพ่อที่เรียนให้ผมประสิทธิ์ประสาดให้ผมมันมีที่สิ้นสุดไหมพอ่อทั้งพ่อโอพ่อเดี๋ยวนี้ก็อายุเจ็ดสิบกว่าปีทั้งเรียนมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วก็มาเป็นกบศึกษาสอนความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดลูกเอ็มองหาตน้นหาปลายไม่เจอเลยวิชาความรู้เดี๋ยวก็วิชานั่นเรื่องกเรื่องนั่นเรื่องก็เรื่องนี้ช็ออนกันตลอด แต่ไม่มีที่สิ้นสุดหาต้นหายปลายไม่เจอเรื่องวิชาความรู้เนี่ยแต่พ่อเห็นว่ามีคือือศีอยู่กลุ่มหนึ่งอยู่ในป่าหิมะพานลือศีกลุ่มนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านรู้เบื้องต้นท่ามกลางและก็สุดท้ายของวิชาถ้าลูกอยากจะรู้นะให้ไปถามลือศีกลุ่มนี้นะลือศีกลุ่มนี้เขาจะตอบได้เขาจะแนะนําสั่งสอนได้ บอกกล่าวได้ที่สุดของวิช า, าทางสุสีมะที่เป็นเด็กหนุ่มนะก็ อ, อยากจะใยในการเรียนรู้ใยในการศึกษาอยู่แล้วรนะับพ่อนะจากนั้นเขาดเดินด้นด้านเข้าไปอย่างที่พ่อเข า, เาคุณพ่อเขาแนะนอพ่อเสียวแนะนำเหมื อ, อเนเพราะเป็นเพื่อนของพ่อเนะี่ย เข้าไปก็ไปเจอพระประเจกพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าอยู่เป็นกลุ่มนะ อ, อ, อยู่เป็นกลุ่มเข้าไปกราบพระประเจกพระประเจกว่าพระพุทธเจ้า พ, พระคุณท่านผมจะมาขอเรียนวิ ช, ชาได้ยินทราบข่าวว่าท่านท่านรู้วิ ช, ชาเบื้องต้นมาจากไหนและกระทมกลางและกระสุดท้ายของวิ ช, ชาได้ยินว่าพวกท่านรู้ใช่ไหม พระปเจรพุทธเจ้าใชา่เรารู้วิชาจากนั้นก่อนเนี่ยท่านนั้นผมขอเรียนกับพระคุณท่านได้ไหมครับไม่ได้หรอกถ้าไม่บวชพระปเจรให้บวชสุสีมะก็กลับมาอีกกลับมาได้ผ้าเลยเข้าไปบวชในอัทธบริการพระปเจรก็ให้บวชพระปเจรก็สอนสอนวิชาให้ นี่แหละให้สอนกรรมฐานกรรมฐานห้าแล้วก็พิจารณาถึงอาการสาบสองความเกิดความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาผลในสุดพ่อประเจก็สอนเขามาหาตัวผู้รู้คือใจทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดนะสุชิมะมันไม่ออกไปจากที่อื่นนี่แหละอยากจะรู้ให้เกลียนก็มาหาตัวผู้รู้คือใจ ถ้าเรียนวิชาอย่างอื่นเป็นเรียนเงาของมันนะนะแต่ตคุบเงาไปแต่คุบเงามาแต่คุบนู่นแต่คุบนี่ต่างคนก็ต่างแต่คุบของกันและกันนะแต่ทางอยากจะรู้่ะให้ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจก็วิชาทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเนี่แหละจุดเนี่ยจุดจุดจบของวิชานเนี่ยสูสีมะท่านก็เรียดมาถึงจุดใจท่านก็ชำระกิเลสได้เป็นพระพุทธเจ้านะ จากนั้นท่านก็กลับมากลับมาโปรดพราหมณ์ผู้เป็นพ่อของท่านพ่อเสี่ยวของท่านโอ้โคนทั้งหลายให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างมากท่านมาอยู่ที่อุทยานของพระเจ้าแผ่นดินจากนั้นไม่นานพระพเจ้าพเทเจ้าท่านก็ได้ปรินิพานคือตายแผ่นปรินิพานพรปรินิพานเขาก็สร้างสถูปไวในทางสีเพ่งสร้างพระเจดีย์สร้างสถูปขึ้นมาในทางสีเพ่งให้นคนได้กลับไปกราบไปไหว้ เออแต่ในคนโง่ท่นี้พ่อของเมืองข้อของสุสีมะนี่เ ป, ปรตปเจกพุทธานี่อยู่ที่เมืองตะกัิลาเนี่ยเอ๊ะทำไมลูกชายของเราหายไปนานทำไมจึงไม่เห็นกลับมาหายเงียบไปเลย เ, ยเราควรจะไปตามไปแหมพ่อเลยรเติอเดินทางตามมาจากเมืองตะกัิลามาถึงพาราทสีพอมาทราบข่าวว่าลูกชาย เ, เรียนแล้วก็ไปบวชได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็ปรินิาพานแล้วเนี่ยสถูปเจดีย์สร้างอยู่ในทางสีแพ่งเท่านั้นแหละโอ้โ ห, โโหลูกชายของเราคนนี้เป็นคนดีจริงๆรินิสัยอด น, น้อมถ่อมตนเป็นผู้มเีเป็นผู้เฉลียวฉลาดมากสุสีมาเนี่ยลูกชายของเราจากไปแต่พ่อก็เลยเสียอกเสียใจ เ, เข้ามากันนั่นแนหะ มาปัดกวาดบริเวณเจดีย์แล้วเอาสายมาโปรยเอาดอกไม้มาโปรยเอาน้ํามารดพรมบริเวณแล้วก็ดอกไม้ป่าเท่าที่หาได้มาขอรพสักการะบูชาด้วยความสึกสุดซึ้งด้วยความถึงใจบูชาลูกของตอนเองที่เป็นพระประเจกพุทธเจ้าจากนั้นก็เวียนพระทักศิลปสามรอบด้วยความครรอบอย่างสุดซึ้ง อย่างนั้นก็กราบเ็จแล้วก็ลาพระเจดีย์กับเมืองตะกัศิลา น, ะนี่นแหละอันนี้สงของเราที่ทำในคราวนั้นแหละอันนี้สงที่เราได้ทำกับพระดกับสถูปพระพุทธเจ้าคราวนั้นแหละได้ส่งผลมาให้เราเหลายพบหลายชาติแต่มาชาตินี้คะี่ยมาส่งผลให้เราไม่ใช่เพราะเราได้เป็นพระพุทธเจ้านะนี่แหละอันนี้ก็คือ ที่สาทกแล้วพูดให้ฟังให้พวกเราคณะจตหายาจมได้ศึกษาบุญ เ, เมื่อทำลงไปแล้วมันติดพบติดชาติมันไม่ใช่มีแต่ชาติเดียวเท่านี้ถ้าเมื่อเราทำดีความดีก็ติดในอดิตติดไปในอดีตในอนาคตต่ชาตเิเมื่อเราทำแล้วทำความชั่วก็เช่นเดียวกันนะไม่ใช่แต่ทำดีนะถ้าเราทากรรมชั่วก็เหมือนกันกรรมชั่วจะให้ผล ในอ น, อนาคตแต่ชาติเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังวอยให้คิดทำแต่กรรมดีทำดีไว้คิดดีทำดีพูดดีไวเ้เมื่อเราคิดดีทำดีแล้วกรรมดีนั่นแหละจะให้ผลให้พวกเราไปสู่ภารโลกภายภาคหน้าได้แล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญนี่แหล ะ, ะพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดได้เกิดมาพบ พ, พุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่พวกเรารักครบนับถือเลื่อมใส้นวนแล้วแต่ทัดสอนเป็นศิลปเป็นธรรมสอนอัดสอนธรรมให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นถือว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่ได้เกิดมาแล้วได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระธรรมคําสอน พวกเราได้นํำทำคําสั่งสอนมาวิเคราะห์มาพิจารณาการกลองไตรตรองโดยเหตุและผลก็มีเหตุผลสมบูรณ์บริบูรณ์ในหลักทำคําสอนนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ใช่ว่านับถือแบบงมงายไม่ได้นับถือแบบที่ว่าไม่ได้คิดได้อ่านเขาถือมาเราก็ถือไปไม่ใช่เราวิเคราะห์ดูทุกหมุมของทำคําสอนสอนเริ่มงพระพุทธเจ้าสอนให้ฐานมีเหตุผลอะไร ที่รักษาศีลมีเหตุผลอะไรแต่ละข้อเรื่องภาวนาทําจิตําระจิตใจมีเหตุผลอะไรถ้าเรานําเหตุผลด้วยนํามาวิเคราะห์นํามาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วล้วนแล้วจะเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในนั้นบวกที่สุด พ, พร้อมหมดทุกอย่างวันนั้นเราจึง น, นับถือเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าแล้วก็เลื่อมใสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน ได้นาทาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเนื่องว่าเป็นพวกเราเป็นผู้มีบุญนะเพราะนั้นขอให้พวกพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญโชคดีแล้วขอให้พระพุทตนให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีประกอบคุณงามความดีความดีนั่นแหละจะให้ผลเหมือนกับท่านมีพระพุทธเจ้าที่ไปเกิดเป็น พ่อของท่านสุสิมะปัเจกพุท ธ, ธะนี่แหละอัะอนในสงการทำความดีมันสืบเนื่องนะทำความชั่วก็เช่นเดียวกันสืบเนื่องเหมือนกันนะพี่น้องสถาญาติโยมลูกหลานราะน้ะนพวกเราทำากิกรรมดีสร้างาบุญกุศลแต่วันพุ่งนี้หละวันเย็นวันนี้นะพวกเราจะได้มาพบซาสล า, าหลังนี้นะประมาณหนึ่งท่มคงจะมีการไหว้พระ หรือจะเจริญพระพุทธมนต์เดี๋ยวหลวงพ่อจะดูซะก่อนพระสงฆ์มามากน้อยแค่ไหนอาจจะเจริญพระพุทธมนต์หรือไม่กต่สุดแท้แต่จพวกเราจะตกลงกันแล่ก็คงจะมีการกล่าวต้อนรับคณะจตธายาตโยมมาจากจาตุรทิศที่จะมาเตรียมตัวทอดกรถินวันที่แปดจากนั้นพวกเราก็คงจะแยกย้ายกันพักและขวันพุ่ง พุ่งนี้วันที่8ดพวกเราก็จะได้มารวมกันทำบุญตักบาตรที่สลาหลังนี้แหละจากนั้นก็เลยถวายพระทหารพวกเรารับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเข้าไปข้างในถึงนีู่ที่อยู่ข้างนอกรับทานอาหารส่วนพระองค์ท่านก็จะเสด็จ1400นนะวันพุ่งนี้นะ1600บ่ า, <16. S 1> า, า, บายสี่โบง พวกเราก็จะได้ร่วมกันทอดผ้าพระกฐินที่สลาข้างในจากนั้นก็คงจะจบกันก็คงจะค่าพอสมควรที่หลวงพ่อว่านะแต่จะไงกันน่ะเราคอยดูกันแล้วกันทุกคนประกาศให้พี่น้องประชาชนจัดทายาจมทุกหมู่เหล่านะมาแสดงความเคารพต้อนรับพระองค์ท่านจะมีได้ที่ไหนตั้งแต่สร้างวัดมา ปาเข้าตั้งสามสิปีนะพระ อ, องค์มาจเจเ็จมาเพียงวันนี้ครั้งเดียวอแต่พระ อ, องค์ทุนกับหมอม้ายหญิงท่านจเจเ็จมาหลายครั้งมาเจเดจมาเป็นส่วนพระ อ, องคอ์ที่มาประทับที่วัดของเรานะอันนั้นพระ อ, องค์ก็เจเดจมาหลายครั้งแต่พระ อ, องค์อก็ทรงอทราบๆที่เห็นเห็นกับ สุขภาพของพระ อ, องค์ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะทูลกระหมอ่อมเอาต่อนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรในะทสนี้นะ่ารับพรนะพี่น้องจตหายาโยมลูกหลาน